ทำไมต้องอย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้จะทำโดยครอบครัวบุบลิสคงไม่ใช่แค่คนหรือสองคนที่สงสัยว่าถ้าวิญญาณของนางอ่อนนัดดามีฤทธิจ์จริงขนาดเลี้ยงลูกให้รอดไม่ร้องไห้โยเยได้สามคืนเหตุใดจึงไม่ทำยิ่งกว่านั้นเช่นโทรไปเรียกพี่สาวมารับตัวลูกตนตั้งแต่คืนแรก หรือถ้าวิญญาณของแพรดสิงร่างศพเก่งกล้าขนาดลุกขึ้นมาทวงผ้าตัวเองคืนได้เหตุใดจึงไม่ทำยิ่งกว่านั้นเช่นปกป้องศพตนเองแต่แรกโดยโบกไม้โบกมือห้ามภิกษุหรือถ้าเหมือนยังมีชีวิตนั่งพิงต้นไม้เดินไปเดินมาทำไมจะต้องรอให้พระท่านมาดึงผ้าไปเสียก่อนถึงค่อยเปิดปากแล้วลุกขึ้นเดินตามซึ่งยากกว่ากันเยอะ คำตอบอยู่ที่คำคำเดียวคือข้อจำกัดปกติเราจะรู้จักแต่ข้อจำกัดของมนุษย์เช่นยกตู้หนักๆคนเดียวไม่ขึ้นเดินไกลไม่เกิน20กิโลเมตรต้องนั่งแปะกับพื้นเป็นไข้อยู่ลุกจากเตียงมาต้อนรับญาติไม่ไหวถูกอุดปากอุดจมูกจะพูดไม่ออกหรือกำลังเกลียด ร, รุนแรงจนเกินกว่าจะบังคับใจให้เข้าไปคุยกันได้เป็นต้น แล้ววิญญาณละ่ะคุณคาดหมายว่าจะเป็นอิสระทำได้เท่ามนุษย์หรือกระทั่งพ้นข้อจำกัดทำอะไรต่ออะไรได้ยิ่งกว่ามนุษย์แค่ไหนกระทั่งมนุษย์ด้วยกันเรายัางมักสันนิษฐานว่าคนโน้นควรทำอย่างนั้นคนนี้ไม่ควรทำอย่างนู้นไม่สมเหตุสมผลหรือทำอย่างนั้นเข้าไปได้อย่างไรทำไมไม่ทำอย่างนั้นแทนเอามาตรฐานจากมุมมองของตนเป็นที่ตั้ง ซึ่งก็ต้องมานั่งปวดหัวแบ่งแยกความเชื่อหรือเอาแต่เหยียดหยามความสามารถกันทุกวันไม่เว้นอยู่แล้วเช่นนี้การสันนิษฐานเกี่ยวกับความสามารถของคนตายมิยิ่งออกอาวไปกันใหญ่หรอกหรือข้อจำกัดในโลกวิญญาณหลังความตายไม่ใช่อะไรที่คาดคะเนกันได้ง่ายๆเพราะนี่เรากำลังคุยกันเกี่ยวกับการมีอยู่ของโลกวิญญาณที่เริ่มต้น ก็จินตนาการกันไม่ถูกแล้วว่าเป็นเช่นไรแน่ขนาดให้จินตนาการการมีอยู่ของโลกวิญญาณยังไปกันไม่ถูกและจะให้ทราบเงื่อนไขกติกาของโลกวิญญาณคงยิ่งไปกันใหญ่หาก จ, จะคิดตามตรร ก, กะแบบมนุษย์ก็ต้องอาศัยคาสาคัญคือคำว่าอาจจะเป็นตัวตั้งกรณีนางอ่อนัดดาอาจจะยังนั้น อาจจะอย่างนี้อาจเพราะสายใยระหว่างแม่กับลูกที่เพิ่งเกิดมีความพิเศษยิ่งแม้เด็กธรรมดาทั่วไปก็เห็นแม่ได้มากกว่าที่ตัวแม่เองจะคาดคิดเหมือนเช่นที่เด็กหลายคนมองและร้องเรียกแม่ไปในทางที่แม่จะเข้ามาแม้ว่าแม่จะยังไม่ปรากฏตัวอาจเพราะรักลูกมากพอจะฝืนธรรมชาติจึงดูแลลูกได้ แต่ติดต่อกับคนอื่นไม่ได้อาจเพราะเธอไม่รู้ตัวว่าตายจึงยังคงปฏิบัติต่อลูกตามปกติไม่คิดจะเรียกใครมาช่วยต่อเมื่อเวลาล่วงไปสามวันจึงค่อยตรหนักว่าตนเองหาชีวิตไม่แล้วอาจเพราะเธอเป็นประเภทรู้ตัวเร็วว่าตายและโศกเศร้าเสียใจมากมายเหลือทน กระทั่งนึกอะไรอย่างอื่นไม่ออกแบบเดียวกับคนเศร้าแรงจะทำกิจธุระประจำวันได้ก็เฉพาะที่คุ้นเคยเป็นอัตโนมัติเช่นอาบน้ำแปลงฟันแต่หลงลืมสิ่งอื่นนึกถึงอะไรไม่ออกสักอย่างอาจเพราะจิตเธอยึดอยู่กับลูกอ่วงลูกจนกลายเป็นกำแพงกั้นกระทั่งไม่ไว้ใจคนอื่นหรือกลัวคนอื่นจะไม่รักลูกเท่าตน อาจเพราะเธอรักลูกเหลือเกินอาจอยู่กับลูกตามลำพังให้นานที่สุดเท่าที่เวลาจะอำนวยเป็นการดูแลแบบสั่งลาครั้งสุดท้ายซึ่งแม่ที่ไหนก็อยากทำถ้าพอมีสิทธิทำได้อาจเพราะความรักแบบของเธอเปิดช่องทางสื่อสารกับคนที่เธอรักยิ่งกว่าชีวิตตนเองเพียงคนเดียวและพลังในการสื่อสารก็ไม่เหลือมากพอจะเผื่อให้คนอื่น อาจเพราะกรรมของเธอเป็นแบบตัดรอนสิทธิในการเป็นมนุษย์ต้องตกตายไปโดยไม่มีใครรู้เห็นตราบใดที่คนข้างหลังยังไม่ผิดสังเกตกับการหายตัวไปตราบนั้นจะต้องนอนเดียวดายไร้คนเหลียวแลไปก่อนสารพัดความเป็นไปได้ที่จะเกิดเพดานหรือขีดจำกัดทางวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่วิญญาณหลังความตายรู้อยู่กับตนเอง มีใช่เรื่องที่จะต้องเอาอกเอาใจทำตัวให้ตรงกับความคาดคะเนประพฤติตนไปตามเหตุผลของคนที่ยังมีชีวิตถ้ากรณีของนางออนนัต ด, ดาเป็นเรื่องจริงก็แปลว่าข้อจำกัดของเธอคือปรากฏตัวให้ลูกเห็นได้คนเดียวทำอะไรให้ลูกได้คนเดียวถ้ากรณีของแปรสิงศพเป็นเรื่องจริงก็แปลว่าข้อจำกัดของเขา คือได้แค่ก้าวตามไปแต่ผลักประตูอันเป็นเขตที่อยู่ของทรงไม่ได้ได้แต่หมดเรียวหมดแรงอยู่แค่นั้นสรุปคือหากวิญญาณออกจากร่างแล้วก็ยังอาจกลับมาปรากฏตัวหรือกระทั่งกลับมาใช้ร่างเดิมได้แต่ก็เป็นการชั่วคราวมาได้ในช่วงเวลาสั้นๆกับบางคนไม่ใช่จะทำอะไรสะดวกโยทินเหมือนตอนเป็นมนุษย์ แล้วการจะสันนิฐานเรื่องเงื่อนไขข้อจำกัดของโลกวิญญาณ น, นั้นคงเป็นเรื่องสุดวิสัยมนุษย์ธรรมดาที่เป็นแต่คาดคะเนสาระประโยชน์ที่เราจะเอาได้จริงๆก็คืออย่าประมาทอย่าคิดว่าตายแล้วจบและอย่านึกว่าความหมดห่วงหมดอะไรจะตายตามตัวเป็นอัตโนมัติเด็ดขาด